ดูความพิสูุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โกทะยังจิตให้คลายกําหนัดในโกทะนั้นละโกทะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโกทะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขติแล้วละได้ ครันละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ น, นะครับเท่าที่สังเกตดูนะไม่มีสภาวะธรรมใดที่พระองค์ไม่ให้ทำปริญญาเลยนะนะแต่ว่าของเราในชั้นหลังมาเนี่นะครับเราต้องศึกษาให้เรียนรู้ว่าสภาวะธรรมทั้งหมดต้องเอามาทำปริญญานะแต่ถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับเขาฟังจากพระโอษฐ์เลยเขาพระองค์เนี่ยจะ แสดงธรรมที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของคนนั้นจริงๆเลยนะครับไม่ต้องไปเรียนหลากหลายพิสดารเลยนะครับฟังแค่สูตรเดียวสูตรสั้นๆแล้วไปประพฤติปฏิบัติไปเพ่งไปเพียนไปเรียนไปรู้ไปวินิจฉัยในในธรรมะหมวดนั้นๆนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมในธรรมะหมวดนั้นๆเขาก็สามารถพ้นทุก์ได้เลยเนื่องจากพระ อ, องค์รู้อัธยาศัยของเขาเพราะผมนะครับผมคิดว่าผมมาบ่มอินทรีย์นะครับถ้าหากว่า ยังไม่คิดว่าครับสูตรไหนจะทำให้เราบรรลุเลยคิดว่าเราควรที่จะบ่มไปในทุกๆสูตรนะครับแต่ถ้าเราไปหมกมุ่นในสูตรใดสูตรหนึ่งโดยที่ไม่เรียนรู้สูตรอื่นๆนะครับถ้าเข้าใจเควก็ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นเครื่องอดึงหรือฉุดเราเข้ากับพธรทมคำสอนได้คืนนะครับถ้าเราไปมั่นอกมั่นใจไปปักใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือธรรมดาของกิเลสทั้งหลายนี่นะครับถ้ามันมั่นใจอย่างใดนะปฏิเสธอย่างอื่น หรือคนอื่นเขาพูดถูกเราก็ฟังไม่ได้หรือไม่สนใจฟังเลยหรือฟังก็ผ่านหูจะไม่เอะใจเด็ดขาดนะคบแต่ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลไว้ค่อนข้างกว้างขวางก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นอย่างดีนะคบถ้าเราจะปักใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไอข้อมูลที่เราเคยเรียนรู้จะเป็นอุปนิสัยมาตัดนะครับไม่ให้ปักลงไปมากนกนะครับเนี่ยนะไม่ให้ปักลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไปจนแก้ไขไม่ได้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาด้วยทําไมปฏิบัติหรือศึกษาแล้วไม่ก้าวหน้าก็ต้องเอามาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหทื่อๆเท่าเดิมเนี่ยนะครับอนุรักษ์นิยมก่อนเรียนธรรมะยังไงหลังจากเรียนก็เท่าเดิมก็แสดงว่าผิดพลาดอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลังเลจนเกินไปอีกเหมือนกันมันคําสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือที่กล่าวว่าไม่ควรลึกอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปหมายความว่าทําใจไว้อย่างหนึ่งเผื่อพลาดนะครับ คือเนื่องจากของเก่าเราเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าของเก่าเรามีอะไรมาบ้างเพราะเราสะสมคนมาหลากหลายหมายความว่าสะสมการคลุกคลีกับหมู่คนเนี่ยหลากหลายแม้แต่การอ่านหนังสือพิมพ์การฟังข่าวสารการพูดการคุยกับทุกคนนะครับที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเรารับอุปนิสัยนั้นๆมาหมดแล้วนะครับเราได้อุปนิสัยมาจากทุกคนแค่ได้ยินเสียงใครเอ่ยขึ้นมาเราก็เชื่อว่าได้อุปนิสัยของคนนั้นมาแล้วถ้าได้ยินมานะ แต่ว่าอุปนิสัยอันนั้นจะจะผลักให้ดีหรือให้ชั่วอีกเรื่องหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ากุศลเอาเสียงคําพูดของเขาก็นละกันนะเสียงทุกคนเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เราหมดเลยนะแต่พระองค์แสดงในลักษณะว่าเสียงนี้เป็นอัพยากตะอัพยากตะเป็นอุปนิสัยแก่อัพยากตะเสียงเป็นปัจจัยให้โสตะวิญญาณเกิดอย่างนี้เรียกว่าอัพยากตะเป็นอุปนิสัยหรือเป็นอา ร, รมณปัจจัยแก่อัพยากตะ เสียงเป็นอุปนิสัยให้เกิดโทสะมูลจิตก็ได้นะครับหรือเรียกว่าเสียงเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้กุศลเกิดก็มีนะบาลีใช้คําว่าอัพยากะตะเป็นปัจจัยแก่กุศลก็มีอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็มีอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็มีเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับสามารถเป็นอุปนิสัยให้ทั้งกุศลและ อกุศลแต่ว่าเมื่อเราได้รับทราบข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ชื่อว่าซ่องเสบแบบนั้นมาแล้วคิดดูนะถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบพระพิสุทธิสมัยพุทธกาลพระองค์สอนให้หลีเกเล่นนะครับให้ฟังทาครบกาลยานามิตรให้เพียงพอแล้วสอนให้หลีเกเลนไม่ได้สอนให้ไปรับอุปนิสัยของชาวบ้านชาวเมืองจนเกินไปนะครับเสียงเป็นอปยพตะ เป็นปัจจัยให้เกิดโสตเวิญญาณเวีย ญ, ญาณหานี่มันเป็นอพยากรตะนครับผมชาติวิบากเป็นอัพยากตะหมดเลยนะครับแต่ก็ถ้าตรงๆนะก็เป็นคี่เรียกว่าถ้าเสียงดังเนี่ยนะเป็นอา ร, รมณะปัจจัยถ้าตรงๆนะถ้าเสียงที่กระดังแว่วมาเลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่ า, าการได้ยินแต่ละครั้งเนี่ยเสียงบางอย่างเนี่ยเราจะมีมณสิการทันทีเลย หรือว่าเสียงอาจจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้จิต ด, ด้านอื่นๆเกิดต่อไปอีกนะครับจริงในโสตพันวานเนี่ยมันก็มีวิถีของมันใช่ไหมครับครับผมมีวิถีเท่านั้นก็สามารถที่จะล่วงกุศล ก, บบ ก, กศรรมบดอะไรได้ไหมอ่าหลังจากที่มโนทวารเกิดแล้วแต่ในปัญจทวานนั้นเท่าที่สังเกตดูนะครับไม่ทําวิญญาตนะครับแล้วก็ ไม่ทําอินญาตหมายว่าไม่ล่วงมาทางกายและวาจาอืมเป็ น, นเป็นวิธีที่อ่อนอเมื่อเทียบกับมโนทวารวิธีแล้วอ่อนอนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อมโนทวารวิธีที่สืบเนื่องต่อจากปัญจทวารวิธีนั้นอ่ะไอตัวนั้นแหละครับที่อันตรายมากอืแล้วอปัญจทวารวิธีหรือโสตะทวารวิธีนั้นอ่ะเนื่องด้วยเสียงครับแต่อิอมโนทวารวิธีเนี่ยเนื่องด้วยอุขของเกา่า อุปนิสัยเดิมๆของเราอะที่จะมาวินิจฉัยตีความแปลความหมายของเสียงนั้นๆนะครับทีนี้ไอร้ระหว่างตีความเป็นต้วเนี่ยมันทั้งพูดทั้งแสดงอกทั้งสารพัดนะครับทำบวินยัตล่วงมาทางกายล่วงทางวาจาทำให้ล่วงกายวาจาก็าเป็นมโนกรรมไปนะครับตามแต่อันุภาพของว่าจิต ด, ดวงนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นอุปนิสยัยมีกําลังมากหรือน้อยคร <ๆ S 1> ั้งพูดง่ายคือเหมือนกับว่าพื้นจิตของบุคคลคนนั้นเวลาได้รับ เสียงเป็นต้นเนี่ยอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะโน้มเอียงที่จะคิดอะไร อ, อ๋อครับแล้วแต่การสะสมมาก่อนหน้านั้นมามหมายความว่าเคยไปได้รับข้อมูลอะไรมาครับอ่าถ้าเช่นถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะข้อมูลหรืออุปนิสัยที่ซ่องเสพมาเข้าสอนให้ต้องมีโทสะนะเมืม่อได้ยินเสียงอย่างนี้ก็จะโทสะทันทีเช่นที่เรียกว่าเสียงด่าทั้งหลายแหละเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้นี่ยนะคุณ วาดดีนะต้องยินดีนะเป็นต้นเนี่ยนะฟังเสียงแบบนี้เฉยๆนะเป็นต้ น, นก็เนื่องจากอุปนิสัยที่สะสมมาแต่ก็ได้ยินเสียงคำคำเดียวกันนี่แหละครับคนคิดไม่เหมือนกันเนื่องจากอุปนิสยัยหรือการส่องเสพเป็นต้นมาแตกต่างกันในด้านตรงนี้เนี่ยนะครับในทางคำสอนของเราไม่ใช่สมองเป็นตัวเก็บสิ่งเหล่านั้นแต่จิตที่เกิดขึ้นเาเรียกว่าสะสมสันดาน เมื่อเกิดขึ้นเขาก็หมดปัจจัยจิตประเภทนั้นก็หมดไปแต่ในระหว่างที่หมดไปเนี่ยนะครับมันก็ยังมาเป็นอุปนิสัยให้ได้เหมือนกับที่กรรมที่ทำไว้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วมันก็หมดไปตั้งนานแล้วอะแต่กรรมมันนั้นได้ปัจจัยให้ผลเลยนะครับลักษณะนั้นนะครับตระกูลอุปนิสัยปัจจัยเออผมคิดเล่นๆว่าเนี่ยธรรมดาเวลาเราคคเครียดๆเวลาเราใช้สมองมากๆนะเราจะสึกมึนแล้วก็ อันเนี้ยต้องตบหัวบางทีเราต้องเคาะหรือบางทีต้องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจึงมีความรู้สึกว่าอ ม, มันโป่งขึ้นนาะมันค่อยคิดอะไรออกขึ้นอะไระเงี้ยเอะมันไปเกี่ยวอะไรกับสมองก็งรจริงจริงไม่ใช่สมองหรอกครั บ, รบแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งทุกขากายยะวิญญาณมันเกิดอนะครับเมื่อมันเกร็งเมื่อผ่อนคลายแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็ไปต่อได้นะครับเหมือนกับอะไรมันมารัดรัดรัดรรรัดรั ด, ด, ดมากๆนะผ่อนคลายเพราะเราไม่ได้ไปบีบสมองนะ ไอ้กล้ามเนื้อข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวกับสมองเลยไม่ได้ถึงสมองเลยแล้วทาไมส่วนอื่นเราไม่เห็นมันแกร็งมันเกรียดมันอะไรอะ่ะเราไม่ไปบีบมันเฉยๆถ้าเท่าที่ผมสังเกตดูนะถ้าเกร็งในส่วนหัวบางทีบีบเท้าแล้วหายคือน่องเท้าเนะี่ยไปนวดน่องเท้าแล้วมันหายหรือนวดหลังนี่ก็หายเพราะร่างกายมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยไม่ใช่ว่าต้องมาบีบกล้ามเนื้อที่ตาที่อะไรนะบีบที่เท้าหาย นังผมบางทีผมสังเกตดูนะผมนั่งบีบน้องดูนะมันผ่อนส่วนอื่ น, นๆไปเยอะเลยนะครับเห็นไนะเชื่อไหมครับว่าผมอยากให้มันลมมันออกทางทางป้องนะผมกดนิ้วครับผมกดนิ้วปุ๊บเนี่ยครับลมมันจะพุ่งขึ้นเอผมเลยสังเกต ด, ดูหลายๆครั้งนะเออมันบางทีก็กดที่บาทนะครับลมมันจะขึ้นมันคล้ายๆกับลมลมที่ประเภทพัดทั่วสารพางกายมันไม่ค่อยสะดวกกันนะนะก็เป็นลักษณะนั้น แต่ทางสรีรวิทยาเขาก็จะอธิบายแบบตามแบบของเข้าไปแต่ของเราจะอธิบายในลักษณะจิตตชรูปนะครับจิตตชรูปซึ่งมีจิตเป็นสมุธาน